ส่วนตัวสมาธิเนี่ยจิตที่ตั้งมัน่นเนี่ยตัวนี้หลายคนไม่เข้าใจคำว่าจิตที่ตั้งมัน่นนึกว่าจิตที่ตั้งแบบแข็งกระด้างแข็งแข็งเนี่ยนึกอย่างนี้นะนึกว่าตั้งมัน่นอย่างนี้ไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะมันเป็นจิต ท, ที่แข็งกระด้างจิต ท, ที่ตั้งมั่นเนี่ยหมายถึงเป็นจิต ท, ที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความอ่อนโยนนะมีความเบาถ้าหนัก น, นักแน่นแ่นแข็งแข็งใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่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 เป็นตัวระึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ความโกรธไม่เข้ามายอมใจนะไม่ยอมจิตย้อมใจปัญญามันก็เห็นเลยความโกรธนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนันมันถอดถอนความเห็นผิดออกไปเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสะสมแต่ความเห็นผิดนะว่ามีเรามีเขามีสัตว์มีคนนะตามองเห็นก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขานะ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 ใจมันลอยไปก่อนเรารู้ว่าใจลอยหงุดหงิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าหงุดหงิดนี่อิดช้าขึ้นก่อนเรารู้ว่าอิจฉ้าแต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานอิดช้าวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้รู้ตามห่างไปเรียกตามจนไม่เห็นฝุ่นใช้ไม่ได้ต้องเห็นหางมันไหวๆอยู่อย่างโกรธ ข, ขึ้นมาแล้วโกรธมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเกิดระลึกได้ยังไม่หายโกรธนะโกรธมาได้ต่อเนื่องชั่วโมงแล้วเกิดระลึกได้ว่าอ้าวนี้มันกําลังโกรธอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้หรรือโกธมา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 ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นช่วขนาดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตที่โกรธที่โลภที่หลงนี่เป็นอกักขูศลเกิดแล้วก็ดับมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้นะมันจะโกรธนะห้ามมันไม่ได้มันจะโลภห้ามไม่ได้มันจะหลงห้ามมันไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วไล่ก็ไม่ไปนะ <โ ung. S 1> ไล่ก็ไม่ไปบังคับมันไม่ได้สักอย่างหนึ่งนี่คอยรู้ค่อยดูไปด้วยจะเห็นไหนทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปดูแล้วจะเห็นมันไม่ใช่เราหรอก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 หลวงพ่อถามเรารู้ได้ยังไงอ่ะโยมมีญาณทัศน์รู้ว่าไม่เคยปฏิบัติมาแต่ชาติปางก่อนเนอะเห็นไะมโมเมลเองอ่ะมันคิดบัณฑทอนตัวเองทําให้หมดกําลังใจนี่ใช้ไม่ได้นะหรือคิดว่ามรรคนิพพานพ้นสมัยแล้วนี้พวกทิฏฐินี่เรื่องทิฏฐนะิมีสตัวนะที่ทําให้ช้ามีตัณหามาณทิฏฐิทิฏฐิเนอะงคิดว่ามันพ้นสมัยแล้วมรรคนิพพานไม่มีแล้วไม่ต้องไปทํามันหรอกเนี่ยพวกนี้ก็โดนหลอกนะ อีกพวกหนึ่งนะถือว่ากูเก่งก <c oughs> ูเก่งก <c oughs> ูรู้ทุกอย่างแล้วมาฟังธรรมะนะเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เลยเขาเรียกชาล้นถ้วยมา ร, รู้สึกว่ากูเก่งกูรู้หมดทุกอย่างล้ลืมไปอย่างเดียววนะ่าไอ้ที่ว่ากูเก่งกูรู้นะกูหมดกิเลสไหมนะกิเลสยังเขกหัวเทุกวนันทุกวันนะได้รับความทุกข์ทางจิตทางใจอยู่ไม่เก่งจริงหรอกนะถ้าจิตใจเปิดโล่งไปหมดแล้วเออค่อยว่ากันใหม่เนี่ยมันหลอกเรานะมานะ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 เองคนทําซีดีแจกวยด้วยๆนะคือคุณโยไอ้ไหนโน่นน่นั่นนนยืนนั่งยินน้มอยู่นั่นคุมเครื่องอยู่นั่นนะภาวนาพอดีๆสักพักหนึ่งนะหายไปพักหนึ่งกลับมาพิลึกพิลึกมาอีกแล้วนะแข็งแข็งมาอย่างนี้มาก็มีนะบางทีก็ยิ้มานะทำเป็นอะไรไปฝึกอันโน้นฝึกอันนี้มานะ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 เพื่อนถามว่าเธอเป็นพระอรหันต์เธอทะเลาะกับสามีได้ยังไงบอกด่าเป็นกิริยาอย่างนี้ก็มีนะพอเราสำคัญมั่นหมายว่ามันใช่มันใชนะ่มันพลาดนะพลาดมไม่ได้ดูของจริงๆไม่ยอมวัดใจตัวเองอย่างซื่อๆนะบางทีก็มีพระนะเดินอาลอยมาเลยนะมาถึงก็บอกเลยผมทํลายผู้รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะ เคยเจอสององค์สององค์เป็นพระอรหันต์นะบอกโอ้ยอรหันต์อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะอรหันต์แบบไม่ยอมรู้ทุกข์อ่ะหนีการรู้ทุกข์ไปนะทำใจลอยๆเคลื่มเลมเอเลอไปนะไม่ยอมรู้กายรู้ใจพอมันไม่รู้กายไม่รู้ใจมันก็ไม่เห็นทุกข์สิเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์นี่หนีไปอยู่ใจลอยๆว่างๆไปอะไรนะเคลื่มเคื่มเผลอเไป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 ภาวไปเรื่อยๆนะอยู่จิตรวมลงไปนะมันแบกออกนะจิตมันแบกออกสิ่งที่ห่อพุ่มนี้แบกออกไแล้วมันผุดขึ้นมามีแสงสว่างเหมือนเป็นดวงสว่างผุดขึ้นมาแหมผุดขึ้นมาค่อนๆดว ง, ดวงครึ่งๆดวงแหมอีกนิดเดียวก็หลุดแล้วนะเนี่ยแหมเกือบหลุดพ้แล้วเกือบเป็นพระลรหันแล้ว น, น, นะแต่เสร็จแล้วก็สงสัยนะไม่เห็นกิเลสมันลดเลยนะพอออกมาแล้วเห็นมันจะลดตรงไหนเลยไปเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังนะท่านบอกว่ามันนิมิต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 คนไหนเคยชินที่จะรู้ลมหายใจมันก็กลับมาจ้องไว้ที่ลมใจมันจะแน่นขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดการเพ่งขึ้นมาบางคนก็กลับไปเพ่งใส่ท้องพองยุบอะไรเงี้ยใจก็จะแข็งแข็งขึ้นมาเพราะงั้นเวลาที่จิตเราหลงไปเผลอไปเนี่ยพอเรารู้ว่าหลงไปแล้วเผลอไปแล้วอย่าดึงมันให้รู้แล้วจบลงแค่รู้แต่ว่ามันทําไม่ได้หรอกเพราะใจมันเป็นของห้ามไม่ได้พอรู้ว่าเผลอไปมันจะดึงเอาไว้พอดึงเอาไว้ก็จะแน่นๆต้องค่อยๆฝึกไป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 รวดเร็วมากเลยในเวลา2วินาที3วินาที2วินาที3วินาทีใจก็ฟุ้งซ่านแนละ้วแอบไปคิดหนีไปคิดแล้วแวบไปแล้วกว่าจะรู้อีกทีบางทีชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมงหรือวันหนึ่งนะคนทั่วๆไปก็คือเผลอแวบแล้วไปทั้งวันเลยของเราจะเผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกนะยิ่งภาวนาเก่งยิ่งเผลอบ่อยแต่เผลอสั้นๆนะเผลอสั้นๆนะไม่เผลอยาวอ่ะมีอีกไหมไม่มีจะได้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 บางคนมีเสียงหลวงพ่อนะบางคนมีภาพประกอบด้วยนะ <c oughs> บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกนะแล้วก็ภาวนาไปเราติดขัดแล้วบอกแหมหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อใจใจนั้นมันเป็นธาตุรู้บางทีมันก็รู้ขึ้นมายิ่งเคยฟังเคยฟังหลวงพ่อเทศเรื่อยๆเวลาเราภาวนาไปถึงจุดที่ติดขัดนะก็เหมือนหลวงพ่อไปบอกให้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 เชิญครับกราบน้ำมศการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีกรรมฐานที่ถนัดในคือมีกรรมฐานเฉพาะของแต่ละบุคคลครับว่าบางคนอาจจะทํารูรูปเนี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกตัวได้บ่อยแต่ว่าถ้าเขาเกิดไปไปรู้สึกตัวในระยะนึงแล้วเกิดไปฝึกดูจิตเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นการจงใจขึ้นมาเลยเป็นไปได้ไหมครับก็ <c oughs> เป็นไปได้ทางใครทางมัน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 เหมือนกับว่าจะต้องมาเริ่มต้นดูจิตใหม่แต่เริ่มเลยครับคุณพ่อจะเริ่มดูจิตลอนนี้เลยนะดูไปเลยตอนนี้กำลังแข็งอยู่ครับผมปจิบัตแล้วเห็นเนี่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นความคิดพอรู้สึกตัวปุ๊บมันความคิดั้นก็หยุดไปภาคหนึ่งแล้วเมื่อเกิดมาใหม่มท่านี้ก็ต่อเ น, นื่องไปเป็นเป็นเรื่องเป็นราว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 งั้นเมื่อไรที่จิตมันหนีวิคิดเนี่ย yi, เราจะลืมกายลืมใจตัวเองแต่เมื่อไร่เรารู้ทันว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะครับถ้ารู้ว่าจิตคิดเนั่นความคิดจะดับวับลงไปเลยแต่ว่าเหตุของมันมันยังมีงานที่ยังต้องคิดอยู่เดี๋ยวมันก็คิดใหม่นะคิดใหม่เราก็รู้เอาใหม่เราก็จะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ค <shiny. S 1> ิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้นะ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 ถ้าใจยอมรับตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะใจปฏิเสธตรงนี้ก็คือปฏิเสธธรรมะที่โยมภาวนาอยู่ดีนะใช้ได้เลยเห็นสภาวะได้ละเอียดละออดีลแล้วจะอยากให้หลวงพ่อช่วยเทศได้ฟังว่าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยควรจะแนะนำยังไงเวลาทำงานหรือว่าเวลาว่างเวลาทางานที่ใช้ความคิดปฏิบัติไม่ได้อย่างอย่างเช่นแบบว่าเวล า, า, าอยู่บ้านเนี่ย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 พอไปไหนเราก็หิ้วกายหิ้วใจไปนะแล้วหิ้วเครื่องฟังเทปฟังเ p 3มพสาทานหมดแล้วหมดสภาพแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ไหวนะกับทำพิกีการหลวงพ่อนะครับคือผมปฏิบัติมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับปัญหามันก็คือว่าผมเป็นคนคิดมากทีนี้ตอนหลังๆนี้ปฏิบัติสักสองเดือนวันนี้มีความรู้สึกว่าสมองมันจะไม่รับรู้อะไรเลยมันจะว่างๆมันจะว่าเราเราจะไม่คิดไม่รับรู้ อย่าไปฝึกเพ่งใส่สมองอย่าไปฝึกเพ่งใส่ความคิดนะถ้าเราไปเพ่งใส่สมองใส่ความคิดมันจะไม่ค่อยอยอมคิดอะไรนะแต่ว่าถ้าให้มันคิดไปพอมันคิดแล้วเราเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, สกดีรู้สึกร้ายเนะี่ยเราค่อยตามดูอย่างนี้นะถ้ามันมีธุระจะคิดมันก็จ <c oughs> <ล>ะคิดแต่ถ้าไม่มีธุระจะคิดนั่นมันไม่ค่อยอยอมคิดอะไระมันรู้สึกว่าคิดแล้วเสียเวลาเป็นเรื่องปกตินะถึงภาวนาถูกนะ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 ได้ทําวิธีนี้มาสองปีแล้วก็ความเจ็บนั้นก็ไม่หายคือก็คือยังปวดที่ขาข้างขวาอยู่ปวดตลอดเวลาทุกครั้งที่ปฏิบัติเอยากจะขอคําแนะนํนนำอยากจะถามหลวงพ่อว่าวิธีนี้เป็นสมถะสมถะหลวงพ่อยินดีด้วยนะที่ยังรู้สึกปวดอยู่คุณครัพ่ออะไรเพราะมันต้องปวดนะไม่ให้ภาวนาให้มันเหนือธรรมดานะ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 ที่ฟังแล้วเคลิมเนี่ยมีน้อยรายยังไม่เคยได้ยินนะแล้วฟังหลวงพ่อพูดแล้วเคลิมเนี่ยค่อนข้างอัดชริยะที่ฟ้าประธานในรอบร้อยปีเ mm ่างเพนน้พูดแบบสำนวนจีนหน่อยนะตุดจีน mm hmm. คนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมานับไม่ท้วน น, นับไม่ถูกละนั่นฟังบางคนเปิดนั่งรถนะเาเปิดไปเปิดไปเปิดไปนะลูกภาวนาเป็นเด็กไม่ได้เจตนาฟังนะ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 ใจมันหิวนะมันก็ตะเกียกตะกายไปเกาะอารมณ์โน้นทีเกาะอารมณ์นี้ทีเกาะรูปก่ะนามขึ้นมาอีกจิตใจที่ประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์เหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้พร้อมที่จะปลิวไปงอกเกิดชีวิตขึ้นมาใหม่อีกพพชาติจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยแต่ถ้าคนใดเข้าใจอริยสัจคือทำลายเชื้อเกิดของมันได้ละจิตนี้ไม่มีเชื้อให้เกิดอีก